จะสี่มีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะเป็นอนัตตาพร้อมด้วยสภาวะเป็นของจริงพร้อมด้วยสภาวะรู้แจ้งพร้อมด้วยสภาวะเป็นครื่องรู้ยิ่งพร้อมด้วยสภาวะเป็นครื่องกําหนดรู้พร้อมด้วยสภาวะเป็นธรรมพร้อมด้วยสภาวะเป็นของแท้พร้อมด้วยสภาวะเป็นธรรมที่รู้แล้วพร้อมด้วยสภาวะเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้ง พร้อมด้วยสภาวะถูกต้องด้วยมีสภาวะตรัสรู้เป็นอย่างไรคือตัจจสีมีการรู้แจ้งด้วยยานเดียวพร้อมด้วยสภาวะตรัสรู้ด้วยอาการสิหกอย่างได้แก่ 1. สภาวะที่บีบคั้นแห่งทุกขมีสภาวะตรัสรู้สสภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งทุกมีสภาวะตรัสรู้สสภาวะที่ทำให้เดือดร้อนแห่งทุก มีสภาวะตรัสรู้ 4. สภาวะที่แปรผันแห่งทุกมีสภาวะตรัสรู้หสภาวะที่ประมวลมาแห่งสมุทัยมีสภาวะตรัสรู้หสภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัยมีสภาวะตรัสรู้เสภาวะที่เกี่ยวข้องแห่งสมุทัยมีสภาวะตรัสรู้ 8. สภาวะที่ผัวพันแห่งสมุทัย มีสภาวะตรัสรู้เ้าสภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออกแห่งนิโรธมีสภาวะตรัสรู้สิบสภาวะที่เป็นวิเวกแห่งนิโรธมีสภาวะตรัสรู้สิบสภาวะที่เป็นอสังขตะแห่งนิโรธมีสภาวะตรัสรู้สิบสองสภาวะที่เป็นอมตะแห่งนิโรธมีสภาวะตรัสรู้ส3า สภาวะที่นำออกแห่งมักมีสภาวะตรัสรู้สสภาวะที่เป็นเหตุแห่งมักมีสภาวะตรัสรู้สิ้าสภาวะที่เห็นแห่งมักมีสภาวะตรัสรู้สสภาวะที่เป็นใหญ่แห่งมักมีสภาวะตรัสรู้ศัจจสีท่านสงเคราะห์เข้ากับสภาวะตรัสรู้ด้วยอาการสิบอย่างนี้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 2. อสังกตะลักษณะลักษณะแห่งธรรมที okay. ่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสัจจะมีลักษณะสองอย่างนี้สัจจะมีลักษณะเท่าไรสัจจะมีลักษณะ6คือ 1. สัจจะที่ปัจจัยปรุงแต่งมีความเกิดปรากฏ 2. สัจจะที่ปัจจัยปรุงแต่งมีความเสื่อมปรากฏ 3. สัจจะที่ปัจจัยปรุงแต่งเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรเปลี่ยนปรากฏ 4. สัจจะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งความเกิดไม่ปรากฏ 5. สัจจะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งความเสื่อมไม่ปรากฏ 6. สัจจะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรเปลี่ยนไม่ปรากฏสัจจะมีลักษณะ6อย่างนี้สัจจะมีลักษณะเท่าไรสัจจะมีลักษณะสิองคือ 1. ทุกขสปจะจักษมีความเกิดปรากฏ ท, ทุกขสัตว์มีคว you Fo ามเสื่อมปรากฏสทุกขสัตว์เมื่อยังตั้งอยู่ความแปรเปลี่ยนปรากฏสสมุทัยสัตว์มีความเกิดปรากฏห้าสมุท yes ัยสัตว์มีความเสื่อมปรากฏ6กสมุทัยสัตว์เมื่อยังตั้งอยู่ความแปรเปลี่ยนปรากฏเจ็ดมรรคสัตว์มีความเกิดปรากฏ 8. มรรคสัตว์มีความเสื่อมปรากฏ 9. มรรคสัตว์เมื่อยังตั้งอยู่ความแปรเปลี่ยนปรากฏ 10. นิโรธสัตว์ความเกิดไม่ปรากฏ 11. นิโรธสัตว์ความเสื่อมไม่ปรากฏ 12. นิโรธสัตว์เมื่อยังตั้งอยู่ความแปรเปลี่ยนไม่ปรากฏ 1. สัจจะมีลักษณะส2องอย่างนี้ 1. สัจจะสเป็ น, ปนกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอพยากฤะเท่าไร คือสมุทัยสัตว์เป็นอกุศลมคสัตว์เป็นกุศลนิโรธสัตว์เป็นอพยกฤิทุกขสัตว์เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยกฤิก็มีสัจจะสามนี้ท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะหนึ่งสัจจะหนึ่งท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะสามด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยายน์คำว่าพึงมีอธิบายว่าพึงมีได้อย่างไร คือทุกสัตรย์เป็นอกุศลสมุทัยสัตว์เป็นอกุศลสัจจะสองนี้ท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะหนึ่งสัจจะหนึ่งท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะสองด้วยความเป็นอกุศลพึงมีได้อย่างนี้ทุกษัตริย์เป็นกุศลมรรคษัตริย์เป็นกุศลสัจจะสองท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะหนึ่งสัจจะหนึ่งท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะสองด้วยความเป็นกุศล พึงมีได้อย่างนี้ทุกขสัจเป็นอัพยกฤตนิโรธาสัจเป็นอัภยกฤิตสัจจะสองท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะหนึ่งสัจจะหนึ่งท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะสองด้วยความเป็นอัพยกฤิตพึงมีได้อย่างนี้สัจจะสท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะหนึ่งสัจจะหนึ่งท่านสงเคราะห์เข้ากับสัจจะสด้วยอำนาจวัตถุและด้วยปริยาย คือมีได้อย่างนี้ปฐมมสุตันตานิเทศจบสองธุติยสุตันตะบาลีพระบาลีแห่งสูตรที่สองพิสุทั้งหลายก่อนตระสรุู้เมื่อเราเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตระสรุรุได้มีความคิดดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นคุณแห่งรูปอะไรเป็นโทษแห่งรูปอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูป อะไรเป็นคุณแห่งเวทนาอะไรเป็นโทษแห่งเวทนาอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาอะไรเป็นคุณแห่งสัญญาอะไรเป็นโทษแห่งสัญญาอะไรเป็นเครื evet ่องสลัดออกจากสัญญาอะไรเป็นคุณแห่งสังขารอะไรเป็นโทษแห่งสังขารอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากสังขารอะไรเป็นคุณแห่งวิญญาณอะไรเป็นโทษแห่งวิญญาณอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณ เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้อีกว่าสุขโสมนัที่อาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งรูปรูปไม่เที่เป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งรูปทำเป็นที่กำจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสุขโสมนัที่อาศัยเวทนาที่อาศัยสัญญาที่อาศัยสังขาร สุขสมมนัสที่อาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งวิญญาณวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งวิญญาณทำเป็นที่กมจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในวิญญาณนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณเรายังไม่รู้ทั่วถึงคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษ และขดลสลัดออกจากอุปทานขันห้าโดยความเป็นครขดลสลัดออกนี้ตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกโพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นแต่เมื่อใดเราได้รู้ทั่วถึงคุณโดยความเป็นคุณ โดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปทานขันห้าโดยความเป็นเครื่องสลัดออกนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเราจึงจะยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมพุธิยานอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อนหนึ่งญานนณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแกเราว่า เจโตวิมุตของเราไม่สำเร็จชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกทุติยสุตันตบาลีจบสองทุติยสุตันตานิเทศแสดงสูตรที่สองการรู้แจ้งด้วยการละสุกโสมนัตที่อาศัยรูปเกิดขึ้นว่านี้เป็นคุณแห่งรูปเป็นสมุทัยสัตว์ การรู้แจ้งด้วยการกำหนดรูรปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรผันเป็นธรรมดาว่านี้เป็นโทษแห่งรูปเป็นทุกขสัตว์การรู้แจ้งด้วยการทำให้แจ้งรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะทมเป็นที่ละฉันทราคะในรูปว่านี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเป็นนิโรธสัตว์การรู้แจ้งด้วยการเจริญทิฏฐิสังขปะวาจากรมมนตะอาชีว วายามะสติสมาธิในฐานะทั้งสามนี้เป็นมรรคสัตว์การรู้แจ้งด้วยการละสุคสมนัตที่อาศัยเวทนาที่อาศัยสัญญาที่อาศัยสังขารการรู้แจ้งด้วยการละสุคสมนัตที่อาศัยวิญญาณเกิดขึ้นว่านี้เป็นคุณแห่งวิญญาณเป็นสมุทยัทยสัตว์การรู้แจ้งด้วยการกําหนดรู้วิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาว่า นี้เป็นโทษถึงวิญญาณเป็นทุกขสัตว์การรู้แจ้งด้วยการทําให้แจ้งทำเป็นที่กำจัดฉันทราคะทําเป็นที่ละฉันทราคะในวิญญาณว่านี้เป็นเครื่องสลัดออกจากวิญญาณเป็นนิโรธาสัตว์การรู้แจ้งด้วยการเจริญทิฏฐิสังกัปปะวาจารัมมันตะอาชีวะวาญมะสติสมาธิในฐานะทั้งสามนี้เป็นมรรคสัตว์ คำว่าสัจจะอธิบายว่าชื่อว่าสัจจะด้วยอาการเท่าไรเพือชื่อว่าสัจจะด้วยอาการสามอย่างได้แก่หนึ่งด้วยมีสภาวะแสวงหาสองด้วยมีสภาวะกําหนดสาด้วยมีสภาวะรู้แจ้งชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะแสวงหาเป็นอย่างไรเพือชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะแสวงหาอย่างนี้ว่า ชราและมรณะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะกำหนดอย่างนี้ว่าชราและมรณะมีชาติเป็นเหตุมีชาติเป็นเหตุเกิดมีชาติเป็นกำเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะรู้แจ้งอย่างนี้ว่ายานรู้ชัดซึ่งชราและมรณะ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 มีภพเป็นกำเนิดมีภพเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะรู้แจ้งอย่างนี้ว่ายานรู้ชัดซึ่งชาติเหตุเกิดแห่งชาติความดับแห่งชาติและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะแสวงหาอย่างนี้ว่าภพมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิด ชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะกำหนดอย่างนี้ว่าพบมีอุปาทานเป็นเหตุมีอุปาทานเป็นเหตุเกิดมีอุปาทานเป็นกำเนิดมีอุปาทานเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะรู้แจ้งอย่างนี้ว่ายานรู้ชัดซึ่งพบเหตุเกิดแห่งพบความดับแห่งพบและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งพบ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 ยานรู้ชัดซึ่งอุปาทานเหตุเกิดแห่งอุปาทานความดับแห่งอุปาทานและข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทานชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะแสวงหาอย่างนี้ว่าตัณหามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะกําหนดอย่างนี้ว่าตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ มีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นกําเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะรู้แจ้งอย่างนี้ว่ายานรู้ชัดซึ่งตันหาเหตุเกิดแห่งตันหาความดับแห่งตันหาและข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งตันหาชื่อว่าส ja ัจจะด้วยมีสภาวะแสวงหาอย่างนี้ว่าเวทนา ja มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกาเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะกำหนดอย่างนี้ว่าเวทนามีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นกาเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะรู้แจ้งอย่างนี้ว่ายาน ร, รู้ชัดเส่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาและข้อปฏิบัติ ที่ถึงความดับแผงเวทนาชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะแสวงหาอย่างนี้ว่าภะสะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะกําหนดอย่างนี้ว่าภะสะมีสลายตนะเป็นเหตุมีสลายญาณะเป็นเหตุเกิดมีสลายญาณะเป็นกําเนิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิด ชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะรู้แจ้งอย่างนี้ว่ายานรู้ชัดซึ่งผัสสะเหตุเกิดแห่งภัสสะความดับแผงภัสสะและข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแผงภัสสะชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะแสวงหาอย่างนี้ว่าชลายตนะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะ ด้วยมีสภาวะกำหนดอย่างนี้ว่าสลายตตะมีนามรูปเป็นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะรู้แจ้งอย่างนี้ว่าญ <sy ste en> าณรู้ชัดซึ่งสลายะนะเหตุเกิดแห่งสลายตตะความดับแห่งสลายตตะและข้อปฏิบัติที่ถึงความดับแห่งสลายตนะชื่ว่าสัจจะ ด้วยมีสภาวะแสวงหาอย่างนี้ว่า น, นามรูปมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกาเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะกําหนดอย่างนี้ว่านามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นกําเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะรู้แจ้งอย่างนะะี้ว่ายานรู้ชั ซึ่งนามรูปเหตุเกิดแห่งนามรูปความดับแห่งนามรูปและข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งนามรูปชื่อว่าส ja ัจจะด้วยมีสภาวะแสวงหาอย่างนี้ว่าวิญญาณมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดงเกิดชื่อว่าส ja ัจจะด้วยมีสภาวะกําหนดอย่างนี้ว่าวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิด มีสังขางรเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดชื่อว่าส ja ัจจะด้วยมีสภาวะรู้แจ้งอย่างนี้ว่ายานรู้ชัดซึ่งวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณและข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณชื่อว่าส ja ัจจะด้วยมีสภาวะแสวงหาอย่างนี้ว่าสังขารมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเปิดมีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดงเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะกำหนดอย่างนี้ว่าสังขารมีอวิชชาเป็นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดงเกิดชื่อว่าสัจจะด้วยมีสภาวะรู้แจ้งอย่างนี้ว่ายานรู้ชัดซึ่งสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขารและข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร ชราและมรณะเป็นทุกขสัตว์ชาติเป็นสมุทยสัตว์การสลัดชรามรณะและชาติแม้ทั้งสองเป็นนิโรธสัตว์การรู้ชัดความดับแห่งชรามรณะและชาติเป็นมรคสัตว์ชาติเป็นทุกขสัตว์ภพเป็นสมุทยสัตว์การสลัดออกจากชาติและภพแม้ทั้งสองเป็นนิโรธสัตว์การรู้ชัดความดับแห่งชาติและภพเป็นมรคสัต์ภพเป็นทุกขสัต์ อุปทานเป็นสมุทัยสัตว์การสลัดออกจากภพและอุปทานแม้ทั้งสองเป็นนิโรธาสัตว์การรู้ชัดความดับภพและอุปทานเป็นมรรคสัตว์อุปทานเป็นทุกขสัตว์ตันหาเป็นสมุทัยสัตว์การสลัดออกจากอุปทานและตันหาแม้ทั้งสองเป็นนิโรธาสัตว์การรู้ชัดความดับแห่งอุปทานและตันหาเป็นมรรคสัตว์ตันหาเป็นทุกขสัตว์ เวทนาเป็นสมุทยาสัตว์การสลัดออกจากตันหาและเวทนาแม้ทั้งสองเป็นนิโรธาสัตว์การรู้ชัดความดับแห่งตันหาและเวทนาเป็นมรคสัตว์เวทนาเป็นทุกขสัตว์ผัสสะเป็นสมุทยาสัตว์การสลัดออกจากเวทนาและผัสสะแม้ทั้งสองเป็นนิโรธาสัตว์การรู้ชัดความดับแ่งเวทนาและผัสสะเป็นมรคสัตว์ผัสสะเป็นทุกขสัตว์ สลายตะนเป็นสมุทยสัตว์การสลัดออกจากผัสสะและสลายตระนแม้ทั้งสองเป็นนิโรธาสัตว์การรู้ชัดความดับแห่งผัสสะและสลายตนะนเป็นมรรคสัตว์สลายตนะนเป็นทุกขสัตว์นามรูปเป็นสมุทัยสัตว์การสลัดออกจากสลายตนะนและนามรูปแม้ทั้งสองเป็นนิโรธาสัตว์การรู้ชัดความดับแห่งสลายตนะและนามรูปเป็นมรรคสัตว์ นามรูปเป te, <nogle> ông, ็นทุกขสัตว์วิญญาณเป็นสมุทัยสัตว์การสลัดออกจากนามรูปและวิญญาณแม้ทั้งสองเป็นนิโรธาสัตว์การรู้ชัดความดับแห่งนามรูปและวิญญาณเป็นมรรคสัตว์วิญญาณเป็นทุกขสัตว์สังขารเป็นสมุทัยสัตว์การสลัดออกจากวิญญาณและสังขารแม้ทั้งสองเป็นนิโรธาสัตว์การรู้ชัดความดับแห่งวิญญาณและสังขารเป็นมรรคสัต์ สังขารเป็นทุกข์สัตว์อวิชาเป็นสมุทยาสัตว์การสลัดออกจากสังขารและอวิชชาแม่ทั้งสองเป็นนิโรธาสัตว์การรู้ชัดความดับแห่งสังขารและอวิชชาเป็นมรรษาชราและมรณะเป็นทุกขสัตว์ชาติเป็นทุกขสัตว์ก็มีเป็นสมุทยาสัตว์ก็มีการสลัดออกจากชรามรณะและชาติแม่ทั้งสองเป็นนิโรธาสัตว์ การรู้ชัดความดับแผงชรามรณะและชาติเป็นมรรคสัตว์ชาติเป็นทุกขสัตว์ก็มีเป็นสมุทัยสัตว์ก็มีภพเป็นทุกขสัตว์ก็มีเป็นสมุทัยสัตว์ก็มีการสลัดออกจากชาติและภพแม้ทั้งสองเป็นนิโรธาสัตว์การรู้ชัดความดับแผงชาติและภพเป็นมรรคสัตว์สังขารเป็นทุกขสัตว์อวิชาเป็นทุกขสัตว์ก็มีเป็นสมุทัยสัตว์ก็มี การสลัดสังขารและวิชาแม่ทั้งสองเป็นนิโรธาสัตว์การรู้ชัดความดาบแห่งสังขารและวิชาเป็นมรรคสัตว์ชะ น, นี้แหลทุติยสุตตันตนิเทศจบสัจจกถาจบภาณวาระจบ ชังพร ะ, ะาว่าด้วยพ่อชงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายพ่อชงเจ็ดประการนี้โพ่อชงเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งสติสัมพ่อชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้สองธรรมวิจยะสัมพ่อชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเลือกเฟ้นธรรมสวิริยะสัมพ่อชง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 คือความมีใจเป็นกลางภิกษุทั้งหลายโพ้ชงเจตประการนี้แหลคําว่าโพ้ชงอธิบายว่าชื่อว่าโพ้ชงเพราะมีความหมายว่ายอย่างไรคือชื่อว่าโู้ชงเพราะเป็นไปในความตรัสรู้ชื่อว่าโพ้ชงเพราะตรัสรู้ชื่อว่าโพ้ชงเพราะตรัสรู้ตามชื่อว่าโพ้ชงเพราะตรัสรู้เฉพาะ ชื่อว่าพูดชงเพราะตรัสรู้พร้อมชื่อว่าโพูดชงเพราะมีสภาวะตรัสร <ทำ S 1> ู é, ้ชื่อว่าโพูดชงเพราะมีสภาวะตรัสรู้ตามชื่อว่าโพูดชงเพราะมีสภาวะตรัสรู้เฉพาะชื่อว่าพูดชงเพราะมีสภาวะตรัสรู้พร้อมชื่อว่าโพูดชงเพราะให้ตรัสรู้ชื่อว่าโพูดชงเพราะได้ตรัสรู้ตามชื่อว่าโพูดชงเพราะให้ตรัสรู้เฉพาะ ชื่อว่าโพ่อชงเพราะให้ตรัสรู้พร้อมชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะให้ตรัสรู้ชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะให้ตรัสรู้ตามชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะให้ตรัสรู้เฉพาะชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะให้ตรัสรู้พร้อมชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะเป็นไปในธรรมฝ่ายตรัสรู้ ชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะเป็นไปในธรรมฝ่ายตรัสรู้ตามชื่อว่าโพ right ่อชงเพราะมีสภาวะเป็นไปในธรรมฝ่ายตรัสรู้เฉพาะชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะเป็นไปในธรรมฝ่ายตรัสรู้พร้อมชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะเป็นเหตุให้ได้ความตรัสรู้ชื่อว่าโพ right ่อชงเพราะมีสภาวะปลูกความตรัสรู้ชื่อว่าโพ่อ refreshing. ชงเพราะมีสภาวะบำรุงความตรัสรู้ ชื่อว่าโภชงเพราะมีสภาวะให้ถึงความตรัสรู้ชื่อว่าพูชงเพราะมีสภาวะให้ถึงพร้อมความตรัสรู้มูลละมูลกาธิทัศกะว่าด้วยหมวดสิทแห่งธรรมที่เป็นมูลมีสภาวะเป็นมูลเป็นต้นชื่อว่าพูชงเพราะมีสภาวะเป็นมูลชื่อว่าพูชงเพราะมีสภาวะดำเนินไปในธรรมที่เป็นมูล ชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะกำหนดธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะเต็มรอบในธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะแก่กล้าในธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะแตกชานในธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกชานในธรรมที่เป็นมูล ชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะเจริญความชํานาญในความแตกฉานในธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าโพ่ชงแม้ของบุคคลพูดถึงความชํานาญในความแตกฉานในธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะเป็นเหตุชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะดําเนินไปในธรรมที่เป็นเหตุชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะกําหนดธรรมที่เป็นเหตุ ชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งธรรมที่เป็นเหตุชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะเต็มรอบในธรรมที่เป็นเหตุชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะแย่กล้าในธรรมที่เป็นเหตุชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะแตกฉานในธรรมที่เป็นเหตุชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกฉานในธรรมที่เป็นเหตุ ชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะเจริญความชํานาญในความแตกฉานในธรรมที่เป็นเหตุชื่อว่าโพ่ชงแม้ของบุคคลพูดถึงความชํานาญในความแตกฉานในธรรมที่เป็นเหตุชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะเป็นปัจจัยชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะดําเนินไปในธรรมที่เป็นปัจจัยชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะกําหนดธรรมที่เป็นปัจจัย ชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งธรรมที่เป็นปัจจัยชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะเต็มรอบในธรรมที่เป็นปัจจัยชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะแกล้าในธรรมที่เป็นปัจจัยชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะแตกชานในธรรมที่เป็นปัจจัยชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกชานในธรรมที่เป็นปัจจัย ชื war, ่อว er ่าโพชงเพราะมีสภาวะเจริญความจำนาญในความแตกฉานในธรรมที่เป็นปัจจัยชื่อว่าโพ่ชงแม้ของบุคคลพูดถึงความจำนาญในความแตกฉานในธรรมที่เป็นปัจจัยชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะหมดจดชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะดำเนินไปในความหมดจดชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะกำหนดความหมดจด ชื่อว่าพช่ชงเพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งความหมดจดชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะเต็มรอบในความหมดจดชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะแก่กล้าในความหมดจดชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะแตกชานในความหมดจดชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกชานในความหมดจดชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะเจริญความชํานาญในความแตกชานในความหมดจด ชื่อว่าโพ่อชงแม้ของบุคคลพูดถึงความชำนาญในความแตกฉานในความหมดจดชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะไม่มีโทษชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะดําเนินไปในความไม่มีโทษชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะกำหนดความไม่มีโทษชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งความไม่มีโทษชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะเต็มรอบในความไม่มีโทษ ชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะแก่กล้าในความไม่มีโทษชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะแตกฉานในความไม่มีโทษชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกฉานในความไม่มีโทษชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะเจริญความชํานาญในความแตกฉานในความไม่มีโทษชื่อว่าโพ่อชงแม้ของบุคคลพูดถึงความชํานาญในความแตกฉานในความไม่มีโทษ ชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะเป็นเนคขมะชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะดำเนินไปในเนคขมะชื่อว่าพ่ชอพชงเพราะมีสภาวะกำหนดเนคขมะชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งเนคขมะชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะเต็มรอบในเนคขมะชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะแก่กล้าในเนคขมะชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะแตกฉานในเนคขมะ ชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกชานในเนี่ยขมะชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะเจริญความชำนาญในความแตกชานในเนี่ยขมะชื่อว่าโพ่อชงแม้ของบุคคลพูดถึงความชำนาญในความแตกชานในเนี่ยขมะชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะหลุดพ้นชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะดำเนินไปในความหลุดพ้นชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะกำเนิดความหลุดพ้น ชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งความหลุดพ้นชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะเต็มรอบในความหลุดพ้นชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะแก่กล้าในความหลุดพ้นชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะแตกฉานในความหลุดพ้นชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกฉานในความหลุดพ้น ชื่อว่าพ่ชงเพราะมีสภาวะเรจะเริญความจำนาญในความแตกฉานในความหลุดพ้นชื่อว่าพ่อชงแม้ของบุคคลพูดถึงความจำนาญในความแตกฉานในความหลุดพ้นชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะไม่มีอาสวะชื่อว่าพอชงเพราะมีสภาวะดำเนินไปในความไม่มีอาสวะชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะกำหนดความไม่มีอาสวะ ชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งความไม่มีอาสวะชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะเต็มรอบในความไม่มีอาสวะชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะแก่กล้าในความไม่มีอาสวะชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะแตกชานในความไม่มีอาสวะชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกชานในความไม่มีอาสวะ ชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะเจริญความชำนาญในความแตกฉานในความไม่มีอาสวะชื่อว่าพ่อชงแม้ของบุคคลพูดถึงความชำนาญในความแตกฉานในความไม่มีอาสวะชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะเป็นวิเวกชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะดำเนินไปในวิเวกชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะกำหนดวิเวก ชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งวิเวก ouais ชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะเต็มรอบในวิเวกชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะแก่กล้าในวิเวกชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะแตกฉานในวิเวกชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกฉานในวิเวกชื่อว่าโพ่อชงเพราะมีสภาวะเจริญความจำนาญในความแตกฉานในวิเวก ชื่อว่าพ่ชงแม้ของบุคคลพูดถึงความชํานาญในความแตกฉานในวิเวกชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะสละชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะดําเนินไปในความสละชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะกําหนดความสละชื่อว่าโพ่ชงเพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งความสละชื่อว่าพ่อชงเพราะมีสภาวะเต็มรอบในความสละ ชื่อว่าพภชงเพราะมีสภาวะแก่กล้าในความสละชื่อว่าพ yes ูชงเพราะมีสภาวะแตกฉานในความสละชื่อว่าพูชงเพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกฉานในความสละชื่อว่าพูชงเพราะมีสภาวะเจริญความชำนานในความแตกฉานในความสละชื่อว่าพูชงแม่ของบุคคลพูดถึงความชำนานในความแตกฉานในความสละ ชื่อว่าโภชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นมูลชื่อว่าโภ to ชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นเหตุชื่อว่าโภ้ชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นปัจจัยชื่อว่าโภ้ชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่หมดจดชื่อว่าโภ้ชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่มีโทษชื่อว่าโภ้ชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นเนกขัมมะ ชื <emás. équ altung> ่อว่าพ่อชงเพราะตัสุรุสภาวะที่หลุดพ้นชื่อว่าโพชอชงเพราะตัดสุรุสภาวะที่ไม่มีอาจวะชื่อว่าโพชอชงเพราะตัดสุรุสภาวะที่เป็นวิเวกชื่อว่าโพชอชงเพราะตัดสุรุสภาวะที่ฉละชื่อว่าโพชอชงเพราะตัสุรุสภาวะดำเนินไปในธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัสุรุสภาวะดำเนินไปในธรรมที่เป็นเหตุ ชื่อว่าโูชชงเพระตระหัสรู้สภาวะดำเนินไปในธรรมที่เป็นปัจจัยชื่อว่าโพชชงเพราะตระหักรู้สภาวะดำเนินไปในความหมดจดชื่อว่าโพชชงเพราะตัสรู้สภาวะดำเนินไปในความไม่มีโทษชืๆๆ่อว่าโพ้ชงเพราะตัสรู้สภาวะดำเนินไปในเนกขัมมะชื่อว่าโูชชงเพราะตระหนักรูสภาวะดำเนินไปในความหลุดพ้น ชื่อว่าพภ e. ชงเพราะตัดสรุปสภาวะดำเนินไปในความไม่มีอาสวะชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรุปสภาวะดำเนินไปในวิเวกชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรุปสภาวะดำเนินไปในความสละชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรุปสภาวะกำหนดธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าพชงเพราะตัดสรุปสภาวะกำหนดความสละ ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรุปสภาวะที่เป็นบริวารแห่งธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสุปสภาวะที่เป็นบริวารแห่งความสละชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรุปสภาวะที่เต็มรอบแผ่งธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรุปสภาวะเต็มรอบในความสละชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสุปสภาวะที่แก่กล้าในธรรมที่เป็นมูล ชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่แก่กล้าในความสละชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะความแตกชานในธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะความแตกชานในความสละชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ให้ถึงความแตกชานในธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ให้ถึงความแตกชานในความสละ ชื่อว่าโพูดชงเพราะตัดสรุปสภาวะเจริญความชํานาญในความแตกฉานในธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าพูดชงเพราะตัดสรุปสภาวะที่เจริญความชํานาญในความแตกฉานในความสละชื่อว่าพูดชงเพราะตัดสรุปสภาวะแม้ของบุคคลพูดถึงความชํานาญในความแตกฉานในธรรมที่เป็นมูลชื่อว่าพูดชงเพราะตัดสรุปสภาวะแม้ของบุคคล พูดถึงความชำนาญในความแตกฉานในความสละชื่อว่า Knowledge, พูดชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ควรกำหนดชื่อว่าพูดชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นบริวารชื่อว่าพูดชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เต็มรอบชื่อว่าพูดชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นเอกขตารมชื่อว่าพูดชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าโภชงพราะตัสู้สภาวะที่ประคองไว้ชื่อว่าพ่ชงพราะตัดสู้สภาวะที่มีกระจัดกระจายไปชื่อว่าพ่ชงพราะตัสู้สภาวะที่ไม่ขุ่นมัวชื่อว่าพ่ชงเพราะตัสู้สภาวะที่ไม่วันไหวชื่อว่าพ่ชงเพราะตัสูสภาวะที่ตั้งอยู่ด้วยอำนาจความปรากฏแห่งจิตที่เป็นเอกะคตารม ชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่เป็นอารมณ์ชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่เป็นโคจรชื่อว่าพ่ชงเพราะตัสรู้สภาวะที่ละชื่อว่าพ่ชงเพราะตัสรู้สภาวะที่ฉละชื่อว่าพ่ชงเพราะตัสรู้สภาวะที่ออกชื่อว่าพ่ชงเพราะตัสรู้สภาวะที่เหลือไป ชื่อว่าพภชงพระตัศรุสภาวะที่ละเอียดชื่อว่าพ่ชงพระตัสรุสภาวะที่ปราณีตชื่อว่าพชชงพระตัสร้สภาวะที่หลุดพ้นชื่อว่าพชชงพระตัสรุสภาวะที่ไม่มีอาสวะชื่อว่าพ่ชงพระตัสร้สภาวะเคลื่งข้ามชื่อว่าพ่ชงพระตัสร้สภาวะที่ไม่มีนิมิต ชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ไม่มีที่ตั้งชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ว่างชื่อว่าพ่ชงเพราะตัสรู้สภาวะที่มีรสเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าพชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ไม่ล่วงเลยกันชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะแห่งธรรมที่เป็นคู่กันชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะเครื่องนำออก ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสูรุสภาวะที่เป็นเหตุชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสูรุสภาวะที่เห็นชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสูรุสภาวะที่เป็นใหญ่ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสูรุสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมถะชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสูรุสภาวะที่พิจารณาเห็นแห่งวิปัสนาชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสูรุสภาวะที่มีรถเป็นอย่างเดียวกัน แห่งสมถะและวิปัสสนาชื่อว่าพุชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ไม่ล่วงเลยกันแห่งธรรมที่เป็นคู่กันชื่อว่าพุชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่สมาทานแห่งสิกขาชื่อว่าพุชงเพราะตัดสรูุ้สภาวะที่เป็นโคจรแห่งอารมณ์ชื่อว่าพุชงเพราะตัดสุรุสรภาวะที่ประคองจิต ท, ที่ย่อท้อ ชื่อว่าโพ่อชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่คุมจิตที่ฟุ้งซ่านชื่อว่าโพ่อชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่คุมจิตอันบริสุทธิ์จากความย่อท้อและความฟุ้งซ่านทั้งสองประการชื่อว่าโพ่อชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่บรรลุคุณวิเศษชื่อว่าโพ่อชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่รู้แจ้งอริยมรรคอันยอดเยี่ยม ชื่อว่าโภชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ตรัสรู้สัจจะชื่อว่าพ่ชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ให้จิตตั้งอยู่เฉพาะในนิโรธชื่อว่าพ่ชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่น้อมใจเชื่อแห่งสัตทินรีชื่อว่าพ่ชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เห็นแห่งปัญญินรียชื่อว่าพ่ชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาแห่งศรัทธาภละ ชื่อว่าโ่ชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่วันไหวเพราะอาวิชชาแห่งปัญญาภะชื่อว่าพ่ชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ตั้งมั่นแห่งสติสัมโอชงชื่อว่าโ่อชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่พิจารณาแห่งอุเบขาสัมโอชงชื่อว่าพ่อชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เห็นแห่งสัมมาทิฏฐิ ชื่อว i, Pokémon, ่าพ่อชงเพราะตรัสรู enfin, ้สภาวะที่ไม่ฟ <ave> ุ <t aker>, <S <S ้งซ่านแห่งสัมมาสมาธิชื่อว่าพ่อชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นใหญ่แห่งอินทรีย์ชื่อว่าพ่อชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่หวั่นไหวแห่งพละชื่อว่าพ่อชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่นำออกแห่งพ่อชงชื่อว่าพ่อชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นเหตุแห่งมัก ชื่อว่าโพ่อชงพระตัดสรสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งสติป One ัฏฐานชื่อว่าโพ่อชงพระตัดสรสภาวะที่เริ่มตั้งแห่งสมมาปทานชื่อว่าโพ่อชงพระตัดสรูสภาวะที่สำเร็จแห่งอิทธิบาทชื่อว่าโพ่อชงพระตัดสรสภาวะที่เป็นของแท้แห่งสัจจะชื่อว่าโพ่อชงพระตัดสรู้สภาวะที่สงบระงับแห่งมาก ชื่อว่าพ a a ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ทำให้แจ้งแห่งผลชื่อว่าพชชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ตรดตรองแห่งวิตกชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ตรจตราแห่งวิจารชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่แผ่ไปแห่งปีติชื่อว่าพชชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ไหลมาแห่งสุขชื่อว่าพชชงเพราะตัสรู้สภาวะที่เป็นเอกขตารมแห่งจิต ชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่นึกชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่รู้แจ้งชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่รู้ชัดชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่จำได้ชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่เป็นธรรมเอกผดขึ้นชื่อว่าพชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ควรรู้ยิ่ง ชื่อว่าพ่อชงเพระตัสุรุสภาวะที่พิจารณาแห่งปริญญาชื่อว่าพชอชงพระตัสุรุสภาวะที่สละแห่งปะหา m นะชื่อว่าพชอชงเพระตัสุรุสภาวะที่มีรบเป็นอย่างเดียวกันแห่งภาวนาชื่อว่าพชอชงพระตัสุรุสภาวะที่ถูกต้องแห่งสัจจกลิยาชื่อว่าพ่อชงเพระตัสุรุสภาวะที่เป็นกองแห่งขนัน ชื่อว่าพ่ชงเพราะตัสุรุสภาวะที่ทรงไว้แห่งธาตุทั้งหลายชื่อว่าพ่ชงเพราะตัสุรุสภาวะที่ต่อแห่งอายตนะทั้งหลายชื่อว่าพ่ชงเพราะตัสุรุสภาวะที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังขตะธรรมชื่อว่าพ่ชงเพราะตัสุรุสภาวะที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งแห่งอสังขตะธรรมชื่อว่าพ่ชงเพราะตัสุรุสภาวะแห่งจิต ชื่อว่าโพ่อชงเพระตัดสรู้สภาวะที่ไม่มีระหว่างขั้นแห่งจิต ь. ชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ออกแห่งจิตชื่อว่าโพชอชงเพระตัดสรู้สภาวะหลีกไปแห่งจิตชื่อว่าโพชอชงเพระตัดสรู้สภาวะที่เป็นเหตุแห่งจิตชื่อว่าโพ่อชงเพระตัดสรู้สภาวะที่เป็นปัจจัยแห่งจิตชื่อว่าโพ่อชงเพระตัดสรู้สภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิต ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสรูสภาวะที่เป็นภูมิแห่งจิตชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรูสภาวะที่เป็นอารมณ์แห่งจิตชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรูสภาวะที่เป็นโคจรแห่งจิตชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรูสภาวะที่เที่ยวไปแห่งจิตชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรูสภาวะที่ไปแห่งจิตชื่อว่าโพชอชงเพราะตัดสรูสภาวะที่นำไปแห่งจิต ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสุรุสภาวะที่นำออกแห่งจิตชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสุรุสภาวะที่สลัดออกแห่งจิตชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสุรุสภาวะที่นึกในจิตที่เป็นเอกคตารม์ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสุรุสภาวะที่รู้แจ้งในจิตที่เป็นเอกภตารม์ชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสุรุสภาวะที่รู้ชัดในจิตที่เป็นเอกคตารม์ ชื่อว่าโภชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่จําได้ในจิตที่เป็นเอกคตารมชื่อว่าโภชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่เป็นธรรมเอกผลขึ้นในจิตที่เป็นเอกคตารมชื่อว่าโภชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่เนื่องในจิตที่เป็นเอกคตารมชื่อว่าโภชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่เล่นไปในจิตที่เป็นเอกคตารม ชื่อว่าโภชงเพราะตัดสุสภาวะที่พองใสในจิตที่เป็นเอกคตารมชื่อว่าโภชงเพราะตัดสุสภาวะที่ตั้งมั่นในจิตที่เป็นเอกขตารมชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสู้สภาวะที่หลุดพ้นในจิตที่เป็นเอกคตารมชื่อว่าโภชงเพระตัดสู้สภาวะที่เห็นว่านิลละเอียดในจิตที่เป็นเอกคตารม ช, galaxies, ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสุรุสภาวะที่ทำให้เป็นดุจญาในจิตที่เป็นเอกคตารม์ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสุรุสภาวะที่ทำให้เป็นที่ตั้งในจิตที่เป็นเอกคตารม์ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสุรุสภาวะที่ตั้งขึ้นหนึ่งเนืองในจิตที่เป็นเอกคตารม์ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสุรุสภาวะที่อบรมในจิตที่เป็นเอกคตารมณ์ ชื่อว่าพภชงเพราะตัดสู้สภาวะที่ปรารบเสมอดีในจิตที่เป็นเอขรคาตาลมชื่อว่าพภชงเพราะตัดสู้สภาวะที่กำหนดในจิตที่เป็นเอขรคาตาลมชื่อว่าพภชงเพราะตัดสู้สภาวะที่เป็นบริวารในจิตที่เป็นเอขรคาตาลมชื่อว่าพภชงเพราะตัดสู้สภาวะที่เต็มรอบในจิตที่เป็นเอขรคาตาลม ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสรู้สภาวะที่ประชุมลงในจิตที่เป็นเอกคตารม์ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่อธิฐานในจิตที่เป็นเอกคตารม์ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสรู้สภาวะที่ปฏิบัติในจิตที่เป็นเอกคตารม์ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสรู้สภาวะที่เจริญในจิตที่เป็นเอกคตารม์ ชื่อว่าโภชงเพราะตัดสุร้สภาวะที่ทําให้มากในจิตที่เป็นเอกคตารมชื่อว่าโภชงเพราะตัดสุร้สภาวะที่รวมดีในจิตที่เป็นเอกคตารมชื่อว่าโภชงเพราะตัดสุร้สภาวะที่หลุดพ้นด้วยดีในจิตที่เป็นเอกคตารมชื่อว่าโภชงเพราะตัดสุร้สภาวะที่ตรัสรู้ในจิตที่เป็นเอกคตารม ชื่อว่าพภชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ตรัสรู้ตามในจิตที่เป็นเอกขตารมชื่อว่าพ่อชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ตรัสรู้เฉพาะในจิตที่เป็นเอกขตารมชื่อว่าพภชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ตรัสรู้พร้อมในจิตที่เป็นเอกขตารมชื่อว่าพภชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ให้ตรัสรู้ในจิตที่เป็นเอกขตารม ชื่อว่าโภชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ให้ตรัสรู้ตามในจิตที่เป็นเอกคตารมชื่อว่าโภชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ให้ตรัสรู้เฉพาะในจิตที่เป็นเอกคตารมชื่อว่าโภอชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่ให้ตรัสรู้พร้อมในจิตที่เป็นเอกคตารมชื่อว่าโภชงเพราะตรัส <Jul> ร <k bian 2000> ู้สภาวะที่เ <earthquake> ป็นไปในฝ่ายตรัสรู้ในจิตที่เป็นเอกคตารม ชื่อว่าโภชงเพราะต ร, สรัสรู้สภาวะที่เป็นไปในฝ่ายตรัสรู้ตามในจิตที่เป็นเอกคตารม์ชื่อว่าโภชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นไปในฝ่ายให้ตรัสรู้เฉพาะในจิตที่เป็นเอขลคตารม์ชื่อว่าโภชงเพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นไปในฝ่ายตรัสรู้พร้อมในจิตที่เป็นเอกคตารมณ์ boyfriend. ชื่อว่าโภชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่สว่างในจิตที่เป็นเอกคตารม์ชื่อว่าโภอชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่สว่างขึ้นในจิตที่เป็นเอกคตารม์ชื่อว่าโภอชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่สว่างหนึ่งหนึ่งในจิตที่เป็นเอกคตารม์ชื่อว่าโภอชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่สว่างเฉพาะในจิตที่เป็นเอกคตารมณ์ ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่สว่างพร้อมในจิตที่เป็นเอกอกตารมณ์ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่อริยมักให้สว่างชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่อริยมักให้รุ่งเรืองชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่อาริยมักทำให้กิเลสเร่าร้อนชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่อาริยมักไม่มีมณทิน ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสุปสภาวะที่อริยมรรคปราศจากมนทินชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรุปสภาวะที่อริยมรรคหมดมนทินชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรุปสภาวะแห่งความสงบชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรุปสภาวะที่อริยมรรคทาให้กิเลสระงับชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสุปสภาวะแห่งวิเวกชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสุปสภาวะที่ดําเนินไปในวิเวก ชื öz, ่อว่าโภชงเพราะตัดสรูสภาวะแห่งความคลายกําหนัดชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรูสภาวะที่ดําเนินไปในความคลายกาหนัดชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรูสภาวะแห่งความดับชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรสภาวะที่ดําเนินไปในความดับชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรูสภาวะแห่งความสละชื่อว่าพ่ชงเพราะตัดสรสภาวะที่ดําเนินไปในความสละ ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสรู้สภาวะแห่งความหลุดพ้นชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ดำเนินไปในความหลุดพ้นชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสรู้สภาวะแห่งฉันทะชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่เป็นมูลแห่งฉันทะชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่เป็นบาทแห่งฉันทะชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่เป็นประธานแห่งชันทะ ชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่สำเร็จแห่งฉันทะชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสรู้สภาวะที่น้อมไปแห่งฉันทะชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสรู้สภาวะที่ประคองไว้แห่งฉันทะชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสรู้สภาวะที่ตั้งมั่นแห่งฉันทะชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสรู้สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งฉันทะชื่อว่าพ่อชงเพราะตัสรู้สภาวะที่เห็นแห่งฉันทะ ชื่อว er ่าพ่อชงเพราะตัดสุรุสภาวะแห่งวิริยะชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะแห่งจิตตะชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัสุรุสภาวะแห่งวิมังสาชื่อว er ่าพ่อชงเพราะตัดสุรุสภาวะที่เป็นมูลแห่งวิมังสาชืช่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสุรุสภาวะที่เป็นบาทแห่งวิมังสาชื่อว่าพ่อชงเพราะตัดสุรุสภาวะที่เป็นประธานแห่งวิมังสา ชื่อว่าโพ่อชงเพระตัดสรูสภาวะที่สำเร็จแห่งวิมังสาชื่อว่าโพ่อชงเพระตัดสรูสภาวะที่น้องไปแห่งวิมังสาชื่อว่าโพชอชงเพระตัดสรูสภาวะที่ประคองไว้แห่งวิมังสาชื่อว่าโพ่อชงเพระตัดสรูสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งวิมังสาชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรูสภาวะที่มีฟุ้งซ่านแห่งวิมังสาชื่อว่าโพ่อชงเพระตัดสรูสภาวะที่เห็นแห่งวิมังสา ชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะแห่งทุกข์ชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่บีบคั้นแห่งทุกข์ชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัสรู้สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งทุกข์ชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัดสรู้สภาวะที่ทำให้เดือดร้อนแห่งทุกข์ชื่อว่าโพชงพรราะตัสสภวที่แแปรันห่่งทุกขชือว่าโพชงเพราะตัดสรู้สภาวะแห่งสมุทัย ชื่อว่าโพชอชงเพระตัดสรู้สภาวะที่ประมวลมาแห่งสมุไทยชื่อว่าโพชอชงเพระตัดสรู้สภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุไทยชื่อว่าโพ่อชงเพระตัดสรู้สภาวะที่เกี่ยวข้องแห่งสมุไทยชื่อว่าโพชอชงเพระตัดสรู้สภาวะที่ผัวพันแห่งสมุไทยชื่อว่าโพชอชงเพระตัดสรู้สภาวะแห่งนิโรธชื่อว่าโพ่อชงเพระตัดสรู้สภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออกแห่งนิโรธ ชื่อว่าพ่อชงพระตัสรูสภาวะที่เป็นวิเวกแห่งนิโรธชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรูสภาวะที่เป็นอสังขตะแห่งนิโรธชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรูสภาวะที่เป็นนามตะแห่งนิโรธชื่อว่าพ่อชงพระตัสรูสภาวะแห่งมักชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรูสภาวะที่นำออกแห่งมักชื่อว่าโพ่อชงพระตัศรูสภาวะที่เป็นเหตุแห่งมัก ชื่อว่าพ่อชงเพระตัสรูสภาวะที่เห็นแห่งมักชื่อว่าโพชอชงเพราะตัสรูสภาวะที่เป็นใหญ enfin ่แห่งมักชื่อว่าโพ่อชงเพราะตัสรูสภาวะที่เป็นของแท้ชื่อว่าโพ่อชงเพระตัสรูสภาวะที่เป็นอนัตตาชื่อว่าโพ่อชงเพระตัสรูสภาวะที่เป็นของจริงชื่อว่าโพ่อชงเพระตัสรูสภาวะที่รู้แจ้งชื่อว่าโพชอชงเพระตัสรูสภาวะที่รู้ยิ่ง ชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้สภาวะที่กำหนดรู้ชื in ่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้สภาวะที่เป็นธรรมชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้สภาวะที่เป็นธาตุชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้สภาวะที่รู้ชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้สภาวะที่ทำให้แจ้งชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้สภาวะที่ถูกต้องชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้สภาวะที่ตรัสรู้ ชื่อว่าโพชอชองพระตัสรูเนฆัมมะชื่อว่าโพชอชองพระตัสรูอพยาบาทชื่อว่าโพชอชองพระตัสรูอาโลกสัญญาชื่อว่าโพชอชองพระตัสรูอวิเทปะชื่อว่าโพชอชองพระตัสรูธรรมาวัฏฐานชื่อว่าโพชอชองพระตัสรูญาณชื่อว่าโพชอชองพระตัสรูปาโมชชะชื่อว่าโพ่อชองพระตัสรูปทมชาญ ชื่อว่าพ่อชองพระตัสรุอรหัตมาภชื่อว่าพ่อชองพระตัสรุอรหัตผลและสมาบัตชื่อว่าพ่อชองพระตัสรุสัจทินสีด้วยสภาวะน้อมใจเชื่อชื่อว่าโพ่อชองพระตัสรุปัญญินสีด้วยสภาวะเห็นชื่อว่าโพ่อชองพระตัสรุศสัทธาภละด้วยสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ชื่อว่าโู้ชงเพราะตัดสู้ปัญญาภละด้วยสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชาชื่อว่าโู้ชงเพราะตัดสู้สติสัมโู้ชงด้วยสภาวะตั้งมั่นชื่อว่าโพ้ชงเพราะตัดสุ้อุเบกขาสัมโู้ชงด้วยสภาวะพิจารณาชื่อว่าโูชชงเพราะตัดสู้สัมมาทิฏฐิด้วยสภาวะเห็นชื่อว่าโู้ชงเพราะตัดสู้สัมมาสมาธิด้วยสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าพ่ชงพระตัศรุอินทรียีด้วยสภาวะเป็นใหญ่ชื่อว่าพ่ชงพระตัศรุภละด้วยสภาวะไม่วันไหวชื่อว่าพ่ชงพระตัศรุสภาวะที่นำออกชื่อว่าพ่ชงพระตัศรูมักด้วยสภาวะเป็นเหตุชื่อว่าพ่ชงพระตัศรุสติปฐานด้วยสภาวะตั้งมั่นชื่อว่าพ่ชงพระตัศรุสัมมประธานด้วยสภาวะตั้งไว ชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้อิธิปาทด้วยสภาวะให้สำเร็จชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้สัจจะด้วยสภาวะเป็นของแท้ชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรูสมถะด้วยสภาวะไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้วิปัสสนาด้วยสภาวะพิจารณาเห็นชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้สมถะและวิปัสสนาด้วยสภาวะมีรอดเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว hm ่าพ่อชงพระตัศรรทำที่เป็นคู่กันด้วยสภาวะไม่ล่วงเลยกันชื่อว bueno e. ่าพ่อชงพระตัสรุศีลวิสุทธิด้วยสภาวะสมรวมชื่อว่าพ่อชงพระตัสรู้จิตวิสุทธิด้วยสภาวะไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรุทิฏฐิวิสุทธิด้วยสภาวะเห็นชื่อว่าพ่อชงพระตัสรุวิโมกข์ด้วยสภาวะดุดพ้นชื่อว่าพ่อชงพระตัสรุวิชาด้วยสภาวะรู้แจ้ง ชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรูวิมุตต์ด้วยสภาวะฉละชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้ญาณในความสิ้นไปด้วยสภาวะตัดขาดชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรูอนุปาทญาณด้วยสภาวะสงบระงับชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรูฉันทะด้วยสภาวะเป็นมูลชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรูมานุสการด้วยสภาวะเป็นสมุทฐานชื่อว่าโพ่อชงพระตัสรู้ัสสะด้วยสภาวะเป็นที่รวม ชื่อว่าพ่อชองพระตัสรู้เวทนาด้วยสภาวะเป็นที่ประชุมชื่อว่าพชอชองพระตัสรู้สมาธิด้วยสภาวะเป็นประธานชื่อว่าพ่อชองพระตัสรู้สติด้วยสภาวะเป็นใหญ่ชื่อว่าพ่อชองพระตัสรู้ปัญญาด้วยสภาวะเป็นธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมนั้นชื่อว่าพชอชองพระตัสรู้วิมุตติด้วยสภาวะเป็นแก่นสารชื่อว่าพ่อชองพระตัสรูธรรมที่อย่างลงสู่อมตะพื้นนิพพานด้วยสภาวะเป็นที่สุด